ขอาการท่านพาระเสระเจ้าแผนดพระสังฆาธิการึในที่ประชุมนี้มีท่านเจ้คุณพระราชนิรนธ์ก็มิการมีฝ่ายบริหารมาวิทยาลัยมาจราบก่อนวิทยาลัยท่านเจ้คุณพระยาไส้โล ขอเจริญรันจังหวัแขอสุขีาเป็นต้นแดขออนุโมทนาเช่นชมดิดเอกกับพระยิามกาศึกษาที่เข้ารบ ก, การฝึกปฏิบัติกรรมฐานสุรุูมขอเจรออิญอรญาติโยกสาธุชน ทุกท่านก็มออีก็ขออนุโมทนากับทานเจ้าของสถานที่คือวัดต่างงโดยท่านระเจ้าว่าท่านพระครูวิสุทธ์ภาวนาประสิทธิ์ที่ได้มีนำใจ เื่อเื่อเสนาสะนสะสภายยะและสภายยะอุวิแก่พวกเราที่มาเข้ารับการปฏิบัติกรรมฐา น, นทุกรุรูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นอาวิปสนาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติ ดังที่เราได้ทราบจากรายงานที่ท่านวรวิชิการปดีได้กล่าไวไว้ว่าการมาปฏิบัติตามธรรมคันนี้เป็นเงื่อนไขของการจบหลักสูตรสองหลักสูตรด้วยกัน เป็นหลังสูงระดับประกาศศิยบัตรคือเรียนระยะเวลาสั้นหนปีเรียกว่าปทศกับปศศปทศก็คือประกาศศิยบัตรวีกัวิชาการเทศนาสุเทพปศศก็คือประกาศศิษยบัตร การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาทั้งสองลักสุดมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการเผยแผ่การสอนธรรมะจึงมาปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันไดและมีลักษณะเหมือนกัรมีประการหนึ่งก็คือ หลักสูตรประกาศศิวะที่ว่านี้เป็นการเสริมความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วเป็นหลักคือะสมที่เข้าหลักสูตรนี้ก็เท่ก็สอนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่เคยเท่ไม่เคยสอน ส่วนใหญ่เราก็เป็นการตังเทศน์สอนแต่บริเรียนวิชานี้เพิ่มเพื่อให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นภาษาฝรั่งเขาเรียก on the job training ฝึกเพิ่มเติมในขณะที่ปฏิบัติงาน เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลทั่วโลกเขาจะทำกันยกตัวอย่างคนงานที่ทำงานเป็นช่างฝีมือในโรงงานไม่ว่าซ่อมอะไรเขาก็ทําได้ทํอมคือจักก็ซ่อได้ แต่หากจะไม่มีวุฒิการศึกษาเราเห็คนที่ซ่อมโทรทัศน์สมัยก่อนซ่อมจักรยานหรือจักรยานยนต์เปิดร้านซ่อมอะไแต่เขาไม่มีความรู้วิชาการทางรัฐบาลก็เปิดหลักสูตเร่งรัด ให้คนที่กำลังทำงานนี่แมาเข้าหลักสูตรเป็นชั้นโดยถือว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วมาเรียนเพิเ่มเติมตก็จะเป็นพยักติดปีพยักหรือเสือ น, นี่มันปกติมันก็มีอำนาจอยู่ล แต่ถ้าใส่ปีนมันดิบบินได้มันมีอำนาจมากหลายรูปเทศสอนอยู่แล้วถ้าเรียนวิชาการในเรื่องเทศเรื่องสอนคขาเรียติดปีให้คือต้องเทศดีกว่าเดิมสอนดีกว่าเดิ ถ้าเรียนแล้ว เ, เท่แย่กว่าเดิมสอนแย่กว่าเดิมเียมันไม่ใช่ติปิดเลยหางขเพราะฉะนั้นประบมนตัวเองด้วยนะที่ศึกษาเรียนใหม่ไปขึ้นธรรมะและยมพชมประเทศดีกว่าเดิมหือเปล่หรือหัางกุลกระแดีวแทนที่จะเป็นเสือกลายเป็นแมวหรือป่ไปสอนเด็กก็เหมือนกัน เราต้องการให้ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อจะไปเป็นนักร็ธรรมทำงานได้ดียิ่งขึ้นจึงเปิดดัชนี้แล้วเมื่อเปิดดัชนี้ทำไมต้องมีปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติกรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตรงนี้แหละจะเหมือนวัตถุประสงค์จะเหมือนกับของญาติโยมที่มาร่วมในพิธีวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเป็นคารืรนแปลวอาผู้ครองเรือนดำรงชีวิตอยู่ มีการงานรับผิดชอบและก็มีปัญหาในการทำงานมากปัญหาครอบครัวบ้าปัญหาชีวิตบ้างเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ ง, งานก็จะต้องมีการ เพิ่มสมรรถนะให้กับจิตของตนถ้าเป็นแบตเตอรี่ใช้ไปดนานๆแบตเตอรีตตร่มันอ่อนก็ปลีกจากชีวิตในหน้าที่การงานในครอบครัวมาชาร์จแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่ก็คือเข้าวันปฏิบัติธรรม จ ะ, จะกระฉับกระฉิงสดชื่นกว่าตอนเข้ามาเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วล้างมวลทินล้างสิ่งที่เป็นปัญหาทักข้องใจให้หมดไปทำจิตให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัตทำต่กไปก็จะเป็นคนใหม่ มีความหวมังมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตนี่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อยกเครื่องในจิตเพื่อให้มีสมรรภาพเพิ่ขึ้นสรุปแล้วให้มีสัมภาพนั้น หนึ่งสมรทถภาพสองคนนุณภาพสามสุขภาพาปฏิบัติกรรมฐานแล้วต้องได้ภาพสามภาพสำหรับยาโยกสมรบสภาคนนพคุณภาพและสุขภาพต้องเพิ่มขึ้นสำหรับภาพ ที่เรียนหลักสูตรสสและปศเหมือนกันหมายความว่าเมื่อมาปฏิบัติที่นี่แล้วท่านมีสมรรถภาพคุณภาพและสุขภาพเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการวัดผเลเรียกว่ามีในยักที่สำคัญ ก่อนปฏิบัติกำลังปฏิบัติถ้าใช้เวลาอยู่ที่นี่เขาลองแต่ไม่มีาการเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้สมรรถนะไม่ทำให้กุณลังาพไม่ทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่อย่างใน แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติมานั่งหลับเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าหลับยังไงมาที่นี่ก็หลับอย่างนั้นลยพวกตัณโงตัมมะตรายะโนหลับมาแล้วก็หลับไปตัมมะเราเบื่อเลยเราไม่เบื่าเบื่มาเบื่ไปหลับตั้งแต่วิธีเปิดเนี่ยมันเกินไปแลครับ พวกเบี้ยแต่จะมัวหัวอยากน้อยปักโม่โถ่ติปรายโม่หลับมาแต่สว่างตื่นตัดไปแล้วเรียกว่ามืดมาสว่างตัดวันยากโยมก็เหมือนกันตอนมาที่นั่นมืดถึงปัญหาเยอะต่ัดไปยิ้แย้มจับใสเหมือน คานที่ไปฟังเทพพระพุทธเจ้ชาชื่อนัตบุระปิดาตอนเดินผ่านหน้ากุติิาสารีบุญเดินกระยอบกระแย่งลกูกหลานต้องมาคลองทสารีบุญก็เลยทักบอกว่าหายไปไหนมาไหนะไม่เคยมาวัดมาวาน ารามและกุลกีดาก็ตอบว่าไม่ไหวท่านสุขภาพไม่ดีมาวัดไม่ได้วันนี้จะไปฟังเทศของพมุสลิมเจ้าซะหน่อยปล่อ้ลูกหลานประของหายไปกันพระคันธุโกดีของมุสลิมเจ้าหายไปคักใหญ่กลับมาเดินรลอเลยสิไม่ต้องมีลูกหลานประของ ภาษารรกุลก็บอกไปได้ยาดีอะไรมาล่ะเดินกระชับกระเฉงมาเลยนักกุรุษมีดาก็ตอบว่าได้ยาธรรมโอสซยาคือธรรมะวันนี้พระพุทธเจ้าเทพผูกใจเทศดีมีกำลังจัจ พระสารีบุ่ก็ถามว่าเทศเรื่องอะไรละ่ะนักบุราษีาก็บอกจำกได้แค่ประโยคสองประโยคแต่เราไปใช้ได้ตลอดว่าอย่างไรละ่ะนักคุราษีดาบ็ พะเจ้าสอนว่าพรามแม้ร่างกายขอให้ครามนี่มันศึกษาสำเนียเตอตัวเองตลอดเวลาวา่าแม้ร่างกายของเธอจักกระสังกระสายปุยกระสอบกระแสรแต่จง ด, ดูแลรักษาใจ อย่าให้พอยกระสังกระสายป่วยกระสอบกระแสไปด้วย <c oughs> ให้เตือนตัวเองคือสัมเนียตไปไหนก็นมันเอาเระโยนีย้เตือนสติเสมอเสมอคราแมลหน้ากายจะป่วยกระสอบกระแสกระสังกระสายแต่ใจอย่าได้ โวยกระสอบกระแสรและกระสับกระสายไปด้วยเลยพอได้ฟังอย่างนี้นะคุณ mm hmm. ราบิดาเอามาเตือนตัวเองเสมอ น, มนจิตใจมีกำลังมีความกร ะ, กระชับเฉยนี่เรียกว่าอะไรฟังเทศแล้วมีสมัรถนะเพิ่มขึ้น ทันตาเย็ดตอนเดินไปนี่ต่อพคองเนาป อ, อกมาป่วยก็ป่วยเจ็บก็เจ็บแต่ฉันจะเดินเองออกกำลังสมรรถนะหรือสมรรถภาพ ค, คืออะไรคือความสามารถท่าน ท, าทั้งหลายเท สองมีความสามารถขึ้นึคือพร้อมปฏิบัติหน้าที่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นเทศตอนนี้ไม่ได้ขึ้นสอนตอนนี้แต่ถ้าเขาในบอนปุ๊บขึ้นก็ได้ในบนให้เข้าสอนในชั้นเปุ๊บติปัก เขาเรียกว่ารองใช้นะันมีความสามารถเพิ่ขึ้นแต่ก่อนที่จะเรียนเี่เขาให้เตรียมเทเตรียมการสอนก็เตรียมไม่เป็นเล่าอิทานประกอบก็ทำไม่เป็นแต่ตอนนี้ทำได้นี่ เรียกว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเวลาที่เราซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งที่วางขายในท้องตลาดถ้าติดเครื่องหมายอยประกันคุณภาพ แสดงว่าสินค้านั้นดีใช้ได้ถ้าไม่มีออยอเนยเสี่ยงก่อไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเช่นนดื่มในต ล, ลาดราคาถูกไม่มีตราออย โออยล์นี้ย่อมาจากอาหารและยานะไม่ใช่อายุิยามีตราออยล์ประกาศแสดงว่านาะำโพิสุดเขาพิสูจน์แล้วดื่มไป็นดดิวยาลูกกรอนที่เป็นยาแพทย์แผนไทย หรื อ, อยาหนาที่เป็นขวดอยู่ขายอยู่ทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่มีตาโอโยลรับรองเราไวไ้ใจคุณภาพไม่ได้ซื้อไปทานไปดืม่มไปั่หายปวดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีตาโอโยล์ก็เซื้อกันอย่าง หารู้ไหมว่ามันแก้ปวดจริงแต่กระดูกูพัสดนสเตรอยลตายอดส่งแต่ถ้ามีตราออยอรับประทานไม่มีผลข้างเคียงมากนะและมีคุณสมบัติตามที่ โอนสนะคุณภาาใช้ได้ไม่ได้เรียนหลักสูตรปาศาสปาศาส อ, ป, าศาอประเทศนะแต่ไม่มีพอยอนไม่มีใบประกาศ ร, รับประกราศเท่ก็ดีสนุกแต่ไม่รู้ว่าใช่คำวามระเจ้าหรือเปล่า และไม่รู้ว่าที่เทศที่สอนเนี่ยมันเป็นธรรมะหรือเนอยญาณที่ให้กับเยาวชนไม่มีประกันคุณภาพและอาจจะมีผลขั้นเทียนที่ไม่ดีก็แหละ เพราะไม่มีสถาบันและประกาศแต่วันนี้นท่านหลายเรียนทางหลักสูตรประกาศศิยบัตรของมจรมจรมจรย์ทำหน้าที่เป็นปอยใอห้กับท่านเพศได้ทั่วราชอาณาจักรวงเล็บท่านเป็นคนพิเศษเสอนจได้ทุกโรงเรียน ถ้าเขาเปิดโอกาสที่สองสแสดงว่าได้่าตรฐานเจ๊เลยนี่คือคุณภาพแล้วสุวขภาพอยู่ตรงไห น, นสุนขภาพอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งผู้ รับบริการและผู้ให้บริการการที่การสอนเป็นงานบริการถ้ามองแบบชาวโลกนงานของท่าน ห, า, า, หายก็เป็ น, น, นั้นเป็นงานเหมือนครูงานของครู ไปสอนเรีเรยนสอนธรรมะเป็นงานของแพทย์พยาบาลเป็นงานของมัคคุเทศนํนำท่องเที่ยวไม่ใช่ทางไม่ใช่งานผลิตอย่างงานของชาวนาชาวไร่ถ้าไม่ได้ปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีผลผลิตไม่ได้เป็นเกษตรกร ท่านไม่ได้ทํางานในโรงงานทอผ้าไม่ได้ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมงานผ้ากระเซ็เกี่ยวกับกลุ่มพืชงานผ้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตแต่งานผ้าบริการเนี่ยก็เป็นเรา อย่างไรายได้ท่อประเทศไทยมาจากผลผลิตทางเกษตรมาจากโรงงานและอีกส่วนหนึ่งมาจากจาการท่องเที่ยวคนมาเที่ยวประเทศไทยเยอาเงินมาให้ปีละหลายหมื่นหลายแสนล้านถ้าท่านสอนดีน่ คนก็มาในมอคนก็มาที่วัดมาสังุคนก็มาช่วยสร้างอาคารเนี่ยอย่างพระตาเกเพระตาเองบริการนี้คือทำงานด้านสาธารสุขทางกิตวิทยาใครเป็นโรคความทุกข์ทางจิตใจ ก็มาที่วันดีใครใครเป็นโรคทางร่างกายก็ไปที่โรรพยาบาเห็นไหมเมื่อสอนดีบริการดีคนก็มาช่วยพัฒนาวัานน้ำทวกก็ทำรั้วร้องคันร้อไม่ห้น้ำทวกส่วนวัดไหน ไม่มีการเปิดวัดบริการเช้าเอะเอนอนอยูนันแลยน้ำท่วมก็ยังไม่รู้จักขนของหนีเปไหนไม่มีใครมาช่วยกถนนหัวทางจะเข้าวัดรบกลวงลังสัตว์ไรทุกถุมเข้าไมนะ่นานคนก็ไม่ช่วยไม่ช่วยถัง ก็ไม่รู้จะเข้าไปทำไมวันนี้มันก็รบดูอย่างนั้นเลยแต่ถ้าที่ไหนไม่เข้าใจมากแค่สร้างเมย์ไว้บริการผีมันก็ตข้าไปเอาเลยข้าก็สะดนกเลยออกมามีศาจโกรธยู่ได้แค่ทำหน้าที่ ถ้าวัดไม่ทาหน้าที่บริการด้านธรรมและศาสนาคนก็ไม่เข้ากันวัดตโลโรงแมวันป่าเขาเข้าไปแล้วไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจไม่เกิดความพึงพอใจไม่มีความสุขแม้จะเป็นวัดป่า แต่ถ้าเข้าไปแล้วจิตมันสงบเกิดความสุขเกิดความฝืนพอใจคนไม่อยากเข้ามีวัาเป็นที่บริการเพราะฉะนั้นครับที่บวชเนี่ยนะครับที่อยู่ในวัดเนี่ยต้องฝึกให้เป็นผู้ให้จึงจะทำหน้า ท, นะที่ผู้ให้ บริกาเรียกภาษาสมัยใหม่ให้กเกะว่ามีเซอ v i วิสใหม่มีจิต ค, คิดบริการจิต ค, คิดบริการตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมรนลนโลนกันใหญ่เขาเรียกจิตอาสาทุกคืนนะจะมีข่าวผู้มีจิตอาสา ไปที่โลกที่นี่มันจะมีคำเรียกอีกอย่างเนึงว่าจิตสาธรรณะพวกเราทั้งหมดที่นี่ต้องเป็นผู้มีจิตอาสามีจิตบริการนิฉะนนจะไม่คิดมาเทศมาสอนถ้าเราไม่คิดจะเป็นผู้ให้เป็นผู้บริการ เราจะไม่ทบไม่ฝึกเพราะมันเหนื่อยล้อมันใช้เวลาใช้กำลังไม่ใช่อยู่ยจะมาเทศมาสอนได้ถ้าต้องเตรียมเวลารับมิมนทีเนี่ยถ้าต้องเตรียมเทเตรียมสอนอย่างของพี่เ จะเทศจะสอนผมก็ต้องคิดว่าจะเทศจะสอนอะไรบางเรื่องต้องเขียนไปก่อนเลยเอาเวลาที่ไห น, นบางที่บางแกงต้องขึง้นขวนไปไกลแต่ก็ต้องบัดทั้งๆั้งที่เรามีงานของเราถ้าท่านก็นมีงานของตัวเองมีภาระผู้บ่ว แต่ถ้ายังจะต้องไปเทสไปสอบท่านเองมความสุดพอใจกับการทําหน้าที่ถ้าตัวท่านเองก็ยังไม่พอใจตัวท่านเองก็ยังไม่สุขใจและจะไปหวังให้คนรับเนี่ยเขาสุขใจพอใจได้อย่าไร สุขภาพเราก็ไม่เกิดตั้งแต่ต้นครับฉะนั้นสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดกับพกุกท่านนะครับแล้วมันสมคัญอะไรกับการปฏิบัติกรรมฐานเพราะการปฏิบัติกรรมฐาน มันเพิ่มสมรรถนะมันเพิ่มคุณภาพมันเพิ่มสุขภาพถ้าท่านปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยสมรรถภาพมันเพิ่มขึ้นทันทีคุณภาพเพิ่มขึ้นทันทีสุขภาพเพิ่มขึ้นทันทียากเย็นก็เหมือนกันเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องเลยนะไม่ใช่มาหลับตื่น เพิ่มสมรภาพคุณภาพสุภาพถามว่าทำไมจึงเพิ่มสมรรภาพตอบตรงๆเลยก็คื อ, อ, อ, เ, อเอาจาออกงานของนักเทศนักสองท่านจะเทศได้ดีขึ้นสอนได้ดีขึ้นเมื่อความคิดท่านดี ความจำดีจำเรื่องที่จะเล่าที่จะเทศจะสอนได้ชัดเจนจำสัจจำแสงจำภาษิตได้หมดผมเห็นปากรูปเด็กเทศดีเพราะไม่มีอะไรนอกจท่องท่องภาษิตท่องกรรท่องอะไรอนะความจำดียงกัไหมด และถ้าท่านจะจำได้เีเนี่ยยังไม่พอต้องมีความคิดเชื่อโยงเป็นระบบเอาเรื่องที่จะเทศมจาจัดระบบในความคิดเพราะท่านจะได้บรรลุหายให้มาเรียงร้อยจะแต่งจาก์ง่ายไปหายยากตอไก่ขอไก่เรยงเ็ระดับเนี่ยมันต้องชัดเจนในความคิดก่อนและความคิดนี้จะเคพื่มขึ้นทันที ถ้าท่านมีสมาธิสมาธิไม่ได้ไปใช้ตอนที่อยู่บนธรรมะหรืออยู่หน้าคงูสอนสมาธิมันใช้ตั้งแต่อ่านหนังสือเจมสอนตั้งแต่คบปัญหาธรรมะผมเคยไปกราบหลวงพ่อพุทธาตทั้งวันในสมัยก่อนี รถทัวร์นะพี่น่มาจากไหนไม่รู้ต้ไปแวะสวนโมกผมก็ไปกับรถทัวร์ยางยลยตอนนั้นนีเป็นสมัยถึงหนึ่พักผมผก็จไม่ได้พราไปที่สวนโมกอยู่ก็จะรู้เหมรู้เ่างู้าวอะไรแบอะไรที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนไปทัวร์รรดาแต่ผมเนี่ย ใจมุ้งหรือหงพ่อคุณทธาตอยาไเดนรู้ตัวท่เพราะงานผลไดฟังงานของท่านเยอะพอไปแล้วผมก็ผมกนะครับหลวงพอคุทศธานนั่งอยู่อย่างผมเนี่ยมีโต๊ะี่ตัวใหญ่ๆนั่งเดานีืสบายๆยังจินตาผม แล้วก็เอาเชือกปอเนี่ยมาล้อมเท่าไหร่ล้อมไม่ให้คนเข้าไปกวนมันเป็นพื้นดี่แน่นาพูดีครับเป็นลูกหลางเป็นหินธรรมดาเนี่ยท่านเาเาอีมาดังเไม่ได้ั้เาอีเป็นรับแขกจากพระในเมืองเลยท่า น, นั่นแงแบบพป แลวก็ไม่ได้รักแทรกหอเพราะเอาเชื่อรอไม่ให้คนไปรบกวนนแต่ชครจะมาถ่ายภาพจะมารู้ตัวได้แล้วท่านนั่งทำอะไรท่านนัท่านนั่งคิดธรรมะของท่านใครไปพูดไปคุยไปกวนสมาธิท่านให้ท่านนั่งคงมธรรมของท่านไปนั่อนหนังสือก็ไม่ได้อ่านนะนั่เชัญ ไม่พ mm ูดเลยจ้ะทั้งวันนะครับควาลัวมันจะหมดคนมาเลื่ตวัดเลยผก็ไปนั่งองนั่นเองครั้งแรกที่ผมไปไปเนี่ยน่าจะเพื่งบวนทันได้ั萨เดีย่ไม่กล้าเข้าไปนะครับจนเรียนจบ ปริญญาเอกก็ไปไ ป, ไปเป็นทาง ก, การไปพูดที่วัานั้นมีโอกาสสนทนากับท่าแล้วก็ได้สังเกตว่าท่านคิที่ท่านครั้งสุดท้ายท่านป่วยใช้วีลแชร์รถก็ยัเห็นไอ้วุ่มวูนของ คนไข้ท่านพูดไม่ได้ไหรอเ้าเรียกเป็นสตรปเป็นน้ำมานพึ่งไปรึ่งตัวหรือยังไงเนี่ยหมายที่พูดให้เทศนาใม่พูดไม่ได้แต่ว่าถามตอบ ก, กันได้เขาก็สังเกต น, นะที่รถเข็นท่านมันจะมีเครื่องบันทึกเทปอยู่ วาและไมโครโฟนเขาก็เสียบไปที่ปากของท่านท่านสนทนานอาจาราไทยเขามะนถึงเท็ตลอดเลยถือว่าีค่าสร้างคามขึ้นกันรูมสิ่งเขาก็ถึงหมดจนถึงแต่ที่สุดท้ายที่่านพูดไม่ได้เข้าไปซียูเขาจึงเลิกมถึงท่าน ทาตลอดชีวิตสะท้อนถึงความคิดกธรรมะตัวนั้นคุณภาพไม่มีสุกเอาขอากินนะท่านเู้ชมท่านพูดอะไรมาพอเทปพิมได้เลย น, ะนั่นสือส่วนใหญ่ที่เป็นคำพูดเนี่ยคือท่านพูดเมื่อท่านมีก่ขันอยู่เนะี่ยแล้วพอออกม า, มา ที่เป็นเล่มเลยเล่มใหญ่ๆเยอะกว่าผมไปที่สวนโมงเมื่อท่านบอระดาพาไปแล้วลูกศิษย์บอกว่าใครตอนนั้นนะะเรายังไม่ใช้แผ่นซีดีนะเราใช้เป็นวอเทนแคสเซ็ตลูกศิษย์บอกว่า ใครอยากได้ทรรบะสวโยโบเอาเทปมาทาแคเสเซ็ตมาห้าพันห้าพันแคเสเซ็ตบันทึกไปนขว่าเดี๋นี้ที่เอวนก่ระบบดิจิตอลคุณภาพของงานมาจากสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและถ้ามีความสุข ท่านคุณฑาตท่านสอนอนามารถสติใช่ไหมที่อ่านน่ยท่านก็ปฏิบัติของท่านท่านมีความสุขในการทําหน้าที่ของท่านท่านสติโกโลเป็นพระภาระตอนท่านเปิดธาตรอนามารไปไหนท่านสติโกโลได้เล่าในที่ประชุมฝังผมก็ไปนั่งฟังอยู่ ถ้านเสด็จกระโลดเราว่าหลวงพ่อพุทธาถ่ายมีความสุขในการสอนธรรมะความพอใจจากคนที่เทศที่สอนมีความสุขสุขอย่างไรท่านก็บอกว่าเวลาท่านป่วยอาพาธเข้าโรงพยาบาล หมอมันจะปิดใต้ห้าเยี่ยมห้ารบกวนอ่พักผู้ใหญ่เราตงรบกายนุ่งเสือเยอะใช่ไหมที่จะ่าภาพเยียบห้ารบกวนคุยห้าพาากากากากักอะไราไมากมายให้เราพูดแต่พรสละเนี่ยถือว่าหลวงพ่อก็คงจะอยู่ไม่นานต้องรีบถามปธรรมะเอเคไปเลยสงสัยอะไรก็ถามถามเ่นอนกอบ ทีตอบนานมากพยาบาลก็จะมาบอกขอได้แล้วให้ท่านพักทางลั่ก็เสียนใจขกอหลุมข้อนัอ่นมีพลังขึ้นมาเลยพอพูดเรื่มสมัครเลยนะตาชักกระเจี๊ยใีความสูงมีพลังแล้วเขาไปมาขังท่านในห้องหมออยู่ละตาวาเลยเืเวลาพูดมาค ความสุขสมองนจะได้ทำงานสมองผู้ป่วยจับไปต่ออายุได้ท่านตามหลักอิทธิบาทสีฉันท์าวิริยะจิตตากิลมังสาคนเราเวลาใครป่วยใครไข้ใคุยใครเี็บอะไรน่ะมันไม่รู้มันเบือไป่หมดอาหารก็ไม่อยากจะกินไม่มีฉันท์าตุเลย ไม่ไมีวิรนะิยะไม่รู้ว่าจะเดินออกกํลาลังไม่มีพลังจะพูดก็เป็นตะเป็นเสียงไม่เข้มเสียงในสุรเวยว่าแม้กระทั่งเสียงมันก็เป็นสนะไม่มีจิตตากไม่รู้จักคิดนะสมองมันก็เป็นอันใสบึ้นะบงความจํามันก็เสื่อมวิ่มัน่นาลสมอ ง, ปองไปทํางานไม่มีวิ่มั่นาประจาสอบส่วนตายอยู่ก็ไม่อนะิะ ถ้าพลหงเอท่ากพระภูติจ้าสอนอิธิบาลสทํถามปายุยืนก็ไปหาหลวงพ่อเพา่อทานอยู่เลยแล้วก็ถามปัญหาแล้วท่านจะตอบและที่สำคัญคือเอาเทไปเ น, นี่ยไปบันทึกถามปัญหาไปทีไรพันกอตอให้ทุกทีเลยชี้แจงละเอียดขนาดยิอยู่ที่เตียงรงเตียงวัด ปัญหาบางอย่างถามก็ได้แต่เลิกปวดอยู่ที่วัดก็ถามแต่ฟังไม่เข้าใจสติปัญญาเรายังไม่ถึงท่านเราลำบากก็ถามซ้ำถามซ่าเรื่องมาเรื่องเนี่ยถามที่สิบครัง้งกันจากที่มาเปิดเที่ยฝังแล้วหลวงพ่อก็ไม่เคยเลยหน่ายในการชี้แจงธรรมะไม่เคยเบื่อในการสอน ไม่เคยด่าว่าลูกสิ่งโห่เลยนะทำไมสอนไม่รู้จักจำท่านมีพลังจะสอนอนะเราเรีวิญญาณของครูในหลักของครูสิ่งเจ็ดอยางคุณรสุปัมเรียกว่าคุณค่าของครูมันเจ็ดประจักษ์คุณลักษณะของกายนานริทท่านต้างจำได้ าการเร น, นิในฐานะนักสอในฐานะนักเทศท่านไปการเระเิดของผู้เรียนธรรมะผู้มาฟังท่านเทศในในคุณสมบัติของการเระเิดเนีขาจะบอกไวเลยถ้าตลงมาสรุปตัวเองว่ามีครบและที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้หล ท่านพระเจ้าสอนไม่เป็นภาษาบาลีไว้อย่างดีว่าคือคุณลักษณะของนักเทศน์นักสอนก็คือปีโยนาปิโยน่ารักจะสอนกับมาตฐานสอนธรรมะสอนอะไรกันาม ค, คนอยากเรียกับท่านก็ท่านน่ารัก ปิโยน์หน้ารักคืออะไรน่ารักเลยถ้ามีเมตต า, าถ้าเป็นคนที่มีเมตตารับรูกสิษย์อย่างนี้นลูกสิษย์ก็จะรักท่านรักคนฟังมีเมตตาเขาก็จะอยากเข้าหาฝังท่านหนึปิโยน์หารักสคารุณหน้าขอรบหวนตัวดีดักแนบ น่ารักน่าเคารพภาวนิโยอบรมตรมพัฒ น, นาตนที่ท่านหลายๆอาจารยถามเนี่ยเทศสอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเทศยังไงให้มันดีขึ้นสอนอยังไงให้ดีขึ้นก็ทำภาวนิโยคือมารีฐา น, นสูตรประกาศเจียัตนี่เขาเรียกว่าพัฒ น, นาตนมารอ บ, บรมกรรมฐาน ก็ อ, อยู่ในภาวนิยูคือภาวนาการเพิ่มลักษณะของการเนรูนที่ข้อหนข้อที่ 3. ข้อสวัดตาพูดให้ได้ผลเขาก็พูดให้ได้ผลคือพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดกาเรเปลี่ยนแปลงพูดที่ไม่ได้ผลคือเท็จทับตายแต่ผลนฝันไม่รู้เรื่อง ไม่เจ็ดแจ้ไม่จูงใจไม่แกล้งไม่ล่าเรือเทียบว่าไม่มิวตาทำไม่พูดได้เลยคนทีจะทำไมหลวงพ่อเรืองท่าถึงจ้ำจี้จ้ใชัยพูดและพูดอีกนั่นคือข้อที่านะวัจะนักขโมคนต่ อ, อให้ขาให้คำของลูกศิษย์ถามอโอ้ คำสืสื่อแต่คนฟังและคนที้แจงข้อที่หกคำพหรังจักกระํางกันตากแถลงเรื่องดึงหลับได้เรื่องยากๆทํามันะเป็นเรื่องได้ถ้าท่านไม่ใช่มีสมาธิจะทำไม่ได้หรอกเพราะจะต้องอ่านจะต้องค้น อยากต้องคิดขบเรียนเรียนเพศจะต้องมีขบขบพุทธศาสนาสมัอาศิียนขบถามมัมีครูสอนวิชาพาสนาอยู่พนหนึ่งได้รำมันครูได้เสาเสษมาเป็นครูผู้หญิงธรรมดาธรรมดาปกติสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้ายตามสามีมาจากปารอกมาสอน็นเมืองที่โรงเรียนบางโพธิทยาวิชาวิทยตที่ตัวเองถนัดไม่ได้สอ น, นเขาหรือเราไม่สนเลยสามีเป็ น, ปนปผูนน้วิพากษสาย้ายมาจากโรตชิเอรงใหม่มาอยู่ที่กทพก็ย้ายมาเป็นครูตัวเองเป็นครูก็ยายตาม ไปที่โรงเรียนบางพลดเ้าบอกวิชาอื่นมีคนสอนหมดแล้วเหลือวิชาเดียวที่หาใครสอนไม่ได้วิชาเขะพุทธศาสนานวิชาธรรมะครูไม่ยอมสอนเลยเด็กที่นั่นไปนทานคนแต่ารครูประจำการที่สอนวิชาศาสนาไม่ได้ไท ย, ทยถ้าใครมีวิชาสุภาษิต อยากให้ไปก่อนวิชานี้กว่างอยู่เอาไมล้ะถ้าจะมาโรงเรียนนี้ต้องสอนวิชาพระพุทธศาสนาสอนสีลธรรมญาบุญธรรไม่มีทางเรื่องอีกมาจากต่างจังหวัดมาจากไต้จังหวัดจะมาสอนที่กรุงเทพเราสอนวิชาถามวิาว่าเคยสอนหรืไม่เคยเลยแล้วทํำยังไงก็อ่านเอาเองแล้วก็ไปสอน ขอนวนแรกนี่ยังกระตกอารมณ์เลยเกิดจับได้สอนเรื่องกรกรรมเนี่ยนะกรรมนีไรสอนไปประบนในใจนี่มันกรรมของกูทำไมมันต้องมาสอนเด็กทโง่ตรนั้นเลยมันไม่เรียนเลยท่านกรไปว่าแค่จะร้องไห้ไปนั่งซึมอยู่ สามปีก็ถามว่าเป็นอะไรก็บอกกลับแท้ๆมันสอนสี่ปะทับหมือนว่ารูปที่ดีเด็กมันไม่อยากเรียนมันจะสอบเอกสารเข้ามาหาอะไรมันเซลมันคุยกลับแท้ๆเลยสามปีก็ถามว่า แล้วเทยมสอนอยังไงก็เลาไปฝังก็ไปอ่านหนังสือทำที่กระซูเก็พิมพ์ู้รู้สภาเองเขงพิ ม, มพ์มาเลยสามีุ้่งไม่ได้มากัพาขึ้นรถขับรถไปลงลงพิมพาา์อาหนังสือไห้ต้องอ่านหนังสือทำมาของตังแล้วทาไมสามีรู้ สอบได้จะทำเองมาก่อนเป็นว่าซึ่งไปเรียนกฎหมายในช่วยคราสาช่วยเตี้ยวให้ภรรยาเลยสอนได้ดีเลยสิ ส, สอนดีแล้วเด็กเด็กคนหนึ่ง มันขานเรียนประจำเก็เด็กตามไปดูที่บ้านเด็กคนนี้เขาจะได้ออกอยู่ตามไปดูทำไมเธอมาสายเขาจะไล้เธอออกปรากฏว่าเป็นเด็ก ย, ยอดกระตามอยู่ลยแม่ป่วยดูแลแม่ เด็กผู้ชายเนี่ยดูแลแม่ต้องไปบาที่โดดเดี่ยวไปดูแลหาหาแม่แม่แต่ว่าเด็กคนนี้นั้นเก่งทำาเหลือเกินสอนอะไรนี้มันรู้หมดเลยแต่วิชาเือกทำได้เลือยและเป็นเดิกยอดกัรศึกษาเลยเลยถามออะวั เคยเป็นตีเรียนโรงเรียนปรีชาทิตยมัธยูสองได้ยังไงครับองจบป .3 เขาขึ้นป .4 ต้องศึกไปช่วยแม่ด้วยอธิบายให้โรงเรียนเข้าใจว่าเด็กคนนี้ยอดการ์ตูโรงเรียนก็เลยเอาประวัตเด็กเนี่ยส่งได้ลางวันอะไรอเด็กการ์ตูนชาติ แล้วเด็กมันก็ตัยู่ครูของเสริมเขาเขาก็เลยแดกครูว่าครูสอนทำบ้านแค่นี้มันไม่ได้เรื่องหรอกสมัยนู้นครูต้องไปสอบทำบมาศึกษาไปสอบทำบมาศึกษาเฮ้ยเกิดเป็นครูไปสอบทำบ้นานศึกษาตกมันจะอายกัวสิ ไม่เป็นไรเดียวผมไปสสอบไปเพื่อครูตอบไได้ผมบอกให้รู้สิมันหวังดีนรู้สิรู้สิมันหวังดีไม่ได้มันก็รู้จักดีสิเอาเเอเ อ, อยากจะสอบก็สอ บ, อสอบแกก็ไม่ได้ให้ช่วยบอกนรียน <c oughs> สอบจนได้ทํานสือสาเีกเขาเรีสอบได้ รวมกับเด็ก น, นักเรียนหมดนีตั้งแต่สอบได้ทำบรรยัติไปบอกผูรมืนการไปบอกนักเรียนทุกคนว่ามารวมสอบทำบรรยัตาาิกันอีกว่าเอาเด็กที่สอนพิชาในโรงเรียนเนี่ยมาช่วยกันติวและไปสมัครสอบทำบรรึกษาโรงเรียนบางทศวิทยาไม่เคยมีสอบทำบรศึกษาสมัยอดตยี่สิบสมปีเลครูไประรงค จนผว้โดยการยอมและเด็กมันก็ยอมมาสอบสมัครสอบอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเมไม่ชื่อยกนณะกันมาและเด็กไปร้อยคนวิ่งมาจากโรงเรียนเพื่อก็มาสอบเพราะเด็กเขย่าจงตามวดจเจ้าอวัดไล่ท่านไม่ให้สอบปีทองสอบ ไม่ออกก็ไปถามท่านอ า, า, าจารยเจ้าอาาสก็บอกว่าเด็กพวกนี้มันไม่ตั้งใจสองมีอย่างที่ไหนมาสอบธรรมศึกษาผมยาวรูปร่างเด็กผู้ชายเลยแถมเอาพีตามาเล่นร่างวัด ดนนนนนในเขตบรรสนบรรโูดในเขตนั้นบางคนสมัยนู้นเล่นกีตาร์ไม่กเกินพ่อไม่สอบเด็กเป็นร้อยคนครูก็แบไปอธิบายให้ฟังฮะในโรงเรียนของเรามไม่เคยสอบทำนาศิษาแค่ ให้ขอพ อ, อเห็นชอบแล้วให้เด็กมันยอมสอบีบุญนัหนาแล้วให้เด็กเข้าวัดเนี่ยแล้วถ้ายัางไร่มันมออกไปองเนี่ย <c oughs> มันหมายความว่าตอไปนี้เด็กพวนี้ไม่ได้แสงธรรมะเลยขอเถอเปิดให้เาสอบจะวัดไ ย, ยอมปฮ ว, ว่าหลังจากนั้นไม่ี่ปี วัดนั้นเนี่ยที่มาสอบเด็กทั้งโรงเรียนมาสอบเป็นวัดที่มีสนิติสอบธรรมศากษา์ี่้มากทีตสุในกรุงเทพครูผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลายเป็นวิทยาศาสรนึงบรรยายสอนพิชาศาสนาทัวประเทศแล้วก็มาช่วยผมทำระดูพิชาศาสนาเมื่อปีสสี่ส มาเล่าประสบการณ์นี้หรือเปล่าพูดให้ได้ผลเนี่ยเอาเด็กขโมนเนี่ยเข้าศาสนาได้มาสอนทำบัณฑิษาได้แค่นี้ก็บุญชั้งหลายแล้วซึ่งมองจากดวงของตามองกระเรื่องเลยเจ้าว่าดไมพอใจได้เลยจใยะให้มันเรียบร้อยยันดีได้ยไงแค่ มันมาสอบก็อุลแล้วเนี่ยลอาบอกมอุมองมาต่างกันนะท่านทนแต่ถ่อยคำแถลงเรื่องคุณตามได้ไม่โนจากฐานะประโยชเช ย, ยไม่แนะนำในทางที่ผิดไม่ว่าครูจะไปแนะนำลูกศิษย์หรือลูกศิษย์มาแนะนำครูไห้พุทธจาริกโก้มาสอนเลยไม่อัก มันหมายถึงคุณทาภาพมันหมายถึงสุขทางภาพแล้วครูเก็มีความสุขตอนหลังเขาจะให้ไปสอนวิชาวิทยานิเทศเขาภูมิใจของมีความสุขกับวิชาการสอนวิชาสนามฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เทศผู้สอนเราเองก็ไม่มีความสุข ความภาคภูมใจจะทำให้บริษัทมีความสุขมีความภูมิพ อ, อใจในสภาวะเท้อ่งอไรผมไปไประชุมที่ไหนในโลกเนี่ยผมจะสังเกตผมจำได้ไม่เคยลืมประเทศจีนนี่ยจับประชุมชาวทุททกทั่โลกทางไปโอ้โหท่ ไม่เคยมีการเป็นใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยน่าจะเกิดศิลรมาแล้วพระผู้ใหญ่ที่มานั่งบนเวทีนั้นไม่รู้เป็นคุณมาจากประเทศไหนมาบาปองที่ต่อมาคองนะออกมาจากป่ามาจากต้นทั้งไหม่รู้ขึ้นไปนั่งบนเวทีเป็นอาจารย์โู้เงี้ยเ เขาก็ประกาศกัเ่อมาจากไต้หวันผมจำได้ท่านิงนบินท่านจิงซินเมือม่ออาอ์นอายุร้อยปีนะมาจากจีนจีนนงเงียไม่รู้ว่าหลับเือตื่นังฟัหรือผมก็นันององเขาก็ประกาศคือลูกนั้นลูกนี้แ ล, นนปปแล้วมไมขึ้นแบบู่ทีละรูกละู เขาถึงตรงนี้เขาก็ประกาศชื่อคนก็กระขโขกขึ้นรถเดินขึ้นไปบนทีเริ่มพูดคนเริ่มพูดว่าเนะสียงดังว่าจกไหนนะเสียงดำงฟังชัดอายุร้อยปีตาไม่เป็นประกายเหมือนท่ามีฟันสุก ที่เห็นคนทั่วโลกมาสนับสนุนโฆษณาซึ่งในประเทศจีนซึงตอนนั้นไม่ค่อยสนสับสนุนโฆษนามาเป็นสเตจคอมเมดี้จีนเพิ่งเปิดประเท ศ, เท ศ, เท ศ, เทศหลกกังเติงเสี่ยวฉีประกาศเรียบรยเขาก็เลยส่งเสริมสนษณาด้วยท่านดีใจขึ้นพูดมีพลังเหมือนต่ออายุในท่านที่เห็นข่าวโฆษณ า, าเจอท่านนึกเไม่ถึงว่าในชีวิตของท่านก่อนจะตาย พระพุทธศาสนา ย, ยังจะมีบทบาทสำคัญในประเทศจีนแผ่นดิยา ห, หญ่ซึ่งเป็นคอมมอนดิสท่านมีความสุขผมนั่นดูเรื่ังความไม่รู้เรื่องแบบนั้นที่ท่านพูดท่านพูดสัจจีแต่ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลยนี่เรียวินยามในเทศพในสอนมีความสุขที่ได้เทพได้สอน สแสดงว่าการเป็นนักเทศน์นักสอนยมนเริ่มมาจากจิตใจนะถ้าจิตใจของท่านไม่ได้รักไม่ได้คืนพอใจในการให้ธรรมะและในขณะที่ท่านเทศท่านสอนท่าน็ปมีสมาธิเพราะฟุงศศ้งซ่านดูแจะได้การเทศ่ยเท่าไหรเ่เนี่ย จะได้เป็นพระครูไหม่จะเป็นเจ้าคุณไหมเ้ยครับ้าตนี้ประเทศเป็นอย่างนี้ไม่มีพัสดุแต่ถ้าท่านปฏิบัติกับหลักาปฏิบัติธรรมจิตสมกในขณะที่ท่านเทศก็นำสติปัญญาของญาติโดยมให้เห็นธรรมะไปด้วยเมือนพระเจ้าเทศ ทำเันฉากกับวัจ น, นสุดแต่ละคำแต่ละประโยคผู้ฟังได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเพศจบท่านัญญาโภถนญาได้ดูปตาเห็นวรเป็นประสบัาิณ์เพรา ะ, สะแสดงว่าในขณะที่เพศกระแสธรรมะไล มีสติมีสมาธิมีปัญญามีใจศีลธรรมก็มีซึ่งถ้าท่านผู้เทศผู้สอนไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีพลักระยกาการสอนได้เป็นอัศจรันตอนุสาสนิปันธิกรก็จะไม่เกิด การฝึกจิตการพัฒนาจิตจึงเป็นสิ่งสมคัญอย่างที่ไม่ใช่แต่เพิ่มสมรนะเทานั้นเราสั่รลมจิตความตั้งและโมเนมันจะเป็นแต่ทำอย่างไรให้เรามีสติมีสมาธิพร้อมที่จะดำคนอื่นให้เขาเกิดความสุขที่จะได้เรียนธรรมะด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่ เป็นวัตถุประสงค์ของการพาท่ามาปฏิบัติที่นี้ถ้าในทั่วปฏิบัติอยู่ที่นี้ท่านมีความตั้งใจตั้งใจปฏิบัติพอจบหลังสูงที่อยู่ที่นี่เขาถ้าจะเห็นความเปลี่ยนไปมันสัมผัสได้ ว่าเราเนี่ยมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นคุณภาพเพิ่มขึ้นสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างไรถ้าตั้งใจปฏิบัติผมพูดได้เลยเห็นว่าถ้าผมไม่ปฏิบัติตามบรรทาดตั้งแต่เริ่มทํา ง, งานเริ่มเรียนหนังสืออย่างนี้ครับ งานหลายเรื่องที่ผมทำในธรรม ก, กยายไม่ใช่สติปัญญาด้วยแต่ว่าใจไม่หนักแน่นขอไม่มีความกดทนของไม่มีความสุขผงรอบครอบของไม่มีความกดทน พอที่จะรอคอยงาเก็ผักหมดสิ่งต่างๆที่บรรเร็จมาจากการฝึกจิตผมถึงเห็นคุณค่ายอดีกแม้แต่ในการเทศในการกระจายของผมไม่กลัวทีการทำ ง, งานใหญ่ยยๆยยระดับ มลาที่ทันรู้แม้แต่ในการเทศของผมผมก็ใช้สติสมารถปัญญาอางในว่าครั้งหนึ่งผมไปเทศที่สหรัฐอเมริกาที่วันไทยบนวอชินตานิเซีเสร็แล้วผมก็ไปเทศงานต่อที่ชิคาโกภาคผู้ใหญ่ในประเทศไทย ว่าจะปเป็นพ่อปัญญาลุเตียแล้วก็จากวัดประเดาเดยถ้าจะกุญพุนจะกุญเทพอะไรเจนดทารอายังมีกทาไปนั่งฝังคนอยู่เลยถ้าเรานี้เป็นนักเทพคงยังดุม เที่ที่ดีซีแล้วผมพูดแล้วก็ไปที่ประเทศต่อที่ชิาคาโกะครับผยหวบางรูปไปด้วยผมจำได้ว่าถ้าจะบุญเทศ่ยริยัทิททมิทาหท่านตองไปชิคาโกเลยผมกำลังจะขึ้นเทศที่ชิคาโกให้ก็นเลย เดิ่มาที่บอและท่านก็บอกว่าถ้าจะคูณผมฟังเทสท่าไหร่ครับโดยเฉพาะที่วาชิตาลีสิทธท่านเทสใจยเย็นเหลือเกินว่าผมนะั้เทสใจยเย็นเหลือเกินค่อยๆเรา ค่อยๆปลดอยตัวละคปล่อยเลื่อดและมันก็ค่อยๆเข้าประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งตัวทักไม่ได้ผาบอกเองเนี่ยตัวผมเนี่ยทำไม่ได้เราเท่านเพราะมีเร <c oughs> ื่องดีๆมีอะไรดีๆผมจะชี้เล่าไปก่อนนี่ถามสรุกสนุกเล่าไปแต่กับหัวโว้ดแบนั้น ให้เกงออกก็กระสองทุกสี่ทุกคนหลับแดแต่ถ้าอย่าจะสมัท่านผมให้ใคเลาเร่าป่อยไปที่ลอยเมื่อหน่อยทำไไงผมทำได้ไงใจร้อนชิ้นละกผมก็อยากบอกว่าถ้าท่านฟังผม ทั้งเทพทั้งไหนกรรมหานถ้าท่าไม่ฝึกจตไม่มีสติมันคงไม่อยู่หรอกในทุกเรื่องทั้งการทำงานทั้งการเทศการสอน ผมจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการสอนธรรมะสอนศิลธ ร, รการเทศน์อย่างไรและจะส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้หายหทุกท่านเข้าลักสุปปฏิบัติที่ดี และมาร่วมในพิธีประถมเทเทในวันนี้เพราะส่วนตัวของเองคุณค่าและอยากให้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์เมื่ออย่างที่ผมเห็นอยากให้ตั้งใจปนิบัตและจะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางสรรมาพคุณภาพและสุภาพอย่างต่านสิ่งเหล่านี้นเป็นไปได้ เพ ร, ราะทรามีความตั้งใจเพราะครูบาอาจารย์วิปัสนาจารย์สราสรุปการการท็ทับจากวัดต่างๆและยากง่อมั่นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ภัยศาสตร์ที่ขอโนโธนาในะขอเปิดการประชุมการตามษาปฏิบัติปญห า, า, าอย่างเป็นทางกา รัตนรัตยานุภาวีนะรัตนัตยัเตชะสัตว์ด้วยดีชักบารมีแห่งขุนประสิธิ์รัตนไตรัยและดูดูสอบที่ทุกรูปทุกท่านทุกคนได้ปฏิบัติให้เป็นไปขอจงตกลงการเป็นตบะเป็นดีชักเป็นค า, ารวะกัจจเ ย, ยิดโดยขอให้ทุกรูปทุกท่านประสบความสาเร็จในการปฏิบัติธรรมยิ่งยินขึ้นไปโดยปราศจากุูงทรงรรโรคใจปัจจุบันไร้โภ จเจริญด้วยอายุวันนั้นกาพลาะปัิพานธรรมสามสุ ป, ปาาสัจจานสัยปัารานาสิ่งใดที่ชอบประกอบเจตธรรมก็ขอให้ความปราถนาดังนั้นจบพัจจสาเปรีจบปัจสเรียจบัสเประส่งะสะ ม, สมโนโรถมุมาปราถนาทุกประการา ต, าตลอดกาลนาน